น้ําบ่ตื่นมึงเหงานอนนี่แหละสิมาเทศให้คนเหงานอนบ่ 5 ครบมั้ยศีล 8 ครบมั้ยดูลักษณะคนนั้น ส่วนมากนั่นเขาได้อะไรศีล 5 เขาครบมั้ยมันไม่ครบนั้น ถ้าเราตามดูจิตเราจะพ้นจากความมาแต่ องค์ดำๆก็ใช้ในตี้แต่ว่าเฮ็ดจังๆผู้ ตื่นเสียงซื้อตังหินลูกลังก็บ่ได้ขนาดเพิ่นสิ มาล่ําละจ้างบัก 25000 เพิ่นเชียงอีสานมานิมนต์ พ่อใหญ่ขน้อยอายุยืนเด้อเพิ่นว่า 92 ตายขน้อยเฮ็ดบุญคักๆกับพ่อนิมนต์เก้าวัดล่มงัวอ้อยสกวน พาองค์ใดไปอยู่ขอรังแรกอย่าสิมาเฮ็ดแม่นเด้อถ้าเฮ็ดแม่นแล้วคนใต้ดูเขาสิถางทางไปประสาทพี่น้องใต้ใต้มึงก็หำมุ่นไปมึงอย่าไปถาง พากันแบกศพไปกะเข้าบ้านเข้าเมืองคือว่าน่ะคนก็ไปหลายแน่กะคน พาเข้าไปนั่งอยู่ในหั่น 5 6 องค์อากะพารับศีเด้อว่าซั่นอันไมโครโฟนนั่นครูๆน่ะหลายหมื่นอันพวกขี้ลาวน่ะพ่อ อีเราก็ลั่นสายแล้วพ่อใหญ่ล่ะลิ้นเต๋าใส่แกเพิ่นฮักกูได๋กูได๋มาออกเบิ่งฮักคือกันบ่ล่ะพ่อว่าโซกันอยู่ทางพุ่นนี่มีงาชะซารีนาต่างโพต่างลิ้นมาลิ้นมาเอามึงถ่าล่ะบ่บ่ท่อพี่อันเสียงกราบพระบ่ได้ อันเฮ็ดผ้าบ่มีความหมายจักเม็ดบ่ได้นั่งต้อมอบตอบขาเลยบ้านอันนี้บ่ออกซื้อดอกจักบ้านอีหยังโอ้ยบ้านอันนี้ก็ยังมีอยู่น้อว่าซั่นครับ เป็นจังสิบึดยายเป็นเด้อบ้านใดเป็นก็เซาซะบอกผัวเจ้าของแนมันโผดไปพอสิเฮ็ดหยังกลางเส้นบ่เห็นแล้วก็ทํา สิให้นิมนต์พระมาเทศหรือสิให้อาตมาฟังพวกพุทธเจ้าโสกันกินเหล้าฮะกันดอกมาเฮ็ดหยังซั่นว่านับถือศาสนาพุทธว่าเหล้าดีเป็นหยังจั่งบ่ เปียงว่าพ่อกูตายแล้วเที่ยวว่าแล้วเราก็สิซื้อเหล้าหลายลังแล้วนั่งอ้อมพ่อก็ ไปติแล้วไปเบิ่งบ้านพี่ปอบอตมาว่าห้อยไปเบิ่งติละงานกระทิดมื้ออื่นมื้อฮือนี่อตมาว่า แม่ไปดอกเอาเว้าดันซุล่ะบ่โอ้ยอาตมาก็เบิดความเว้าเนี่ยว่ายังมีอยู่เจ้าว่าเออตายก็ผาวซ่น <ereal isi shrimp> เอาว่าลงฟังของหมู่แล้งส่วนมาที่ 9 เออไปเด้อ 20:00 น. สวดโอ้ยบักนึงอยู่ตากใต้ฝนจังมาทันบ่ทัน ร่างศพนั่นบ่มีพี่บ่มีน้องพี่น้องบ่ค่อยหัวซาตายปั๊บโอ้ยหลวงพ่อมันตาย <laughs> จบแล้วบาปก็อนิสาวรสังฆาลาไปหอบไปเผาเฮาเฒ่าเลิกเฒ่าก็ขึ้นเขาถามถูกมื้ออื่นเจ้าไผพี่น้องบ่ได้เฮ็ดอาหารมาวัดบ่มี น้องเมินผัวเขาตายแล้วต่อไปก็สิอยู่กับไผอยู่กับลูกก็อยู่กับลูกเขานั่นล่ะบรรดาเขา อาตมาบอกจังซั่นบันซวนกล้วยเว้าง่ายๆเขาว่าบ้านพี่เปาะเงียบโบกไฮโร่นี่ก็บ่มีมีก็ อันบัพเพนี้อันจังซี่นี่ก็หลายคนได้นั่งอยู่นี่ก็ว่ากระทวนให้ผู้ตายไปสวรรค์นั่นตัวส่งดวงวิญญาณแม่นพระพุทธเจ้าองค์ใดสอนหือไปเปิดเบิ่งในแม่นอ่าบ่ได้ ไหมตังเตแขนเท่านั้นเค้าเผาตังเตแขนก็กึ่งลงแม่ไปอยู่อินเดียเบิดพ่อ 1 ไปกันก็ถือว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์บ่แม่น หลังบ้านหลังซองตายพอใต้แล้ว น. ก็ไปปลูกผัก 6:00 น. หลวงพ่อตื่นดลๆๆ เลิกเดินกับไปนิมนต์พระได้อยากให้พ่อเพิ่นไปสวรรค์คิดว่าพระ <c oughs> เบิ่งไว้โลดเท่าๆเงาๆคางหิวๆนั่นต่อไปน่ะเจ้าล่ะนั่นเจ้ายื้อว่าเจ้าสิงามเป็นอมตะแล้วป่ะเรา <This> <They> มีจักกี่คนนี่แต่มาว่าเมื่อเฮาสิ ถ้าสิอยู่กับอาจารย์องค์ใดก็ตั้งใจอยู่พรรษานึงก็แป๊บพรรษา 2 ก็แป๊บ เฮ็ดให้เจ้านายบ่ฮักเราก็เลยกลายเป็นคนบ่ ความเพียรเจ้าของบ่เบิ่งเราจะหาอะไรบ่เอาชนะเจ้าของมักผลบ่เกิดหาอันใดได้อะไรถามว่า หรือจะเป็นบ่อยจะเป็นบ่อยหรือจะเป็นโสเพณีบักเธอถามกับห้องเบิงเรามีอะไรมีความสามารถอะไรถามกับห้องได้เฮ็ดเลย แม่นบ่ล่ะเขากราบเฮาแม่นบ่แม่ใหญ่ก็กราบแม่นบ่พ่อก็กราบแม่นบ่บ่ได้ถึกปั๊บบักเสี้ยงบักเฮ็ดสิคาดตายบ่อีกเอาย่าเร็วๆไผเจ้ามึงเป็นผัวอ่ะเขาก็ว่าแต่ตัวอืมเฮาบ่ได้เฮามี <laughs> ต้องเบิ่งเอาให้มันฮู้อีนี่เด้ต้องเจ้าของที่ผมปฏิบัติมานี่ครูบาอาจารย์พาเฮ็ดว่าจังซี่จนผมบ่ได้นอน หลวงพูชามื้อนี้คือกันถูกองค์จานเสือเข้าป่าเอ้าให้เสือข่มภูมใต้มันคือย่านแท้ย่านเป็นไผยะนี่มันคือมาบอก มึงเชื่อบ่ครับบ่แม่นบ่เชื่อแล้วมันเป็นเฮาบ่ล่ะบาดหาลองนั่งเบิ่งดิเดี๋ยวนี้สงบเด้สงบเด้สงบเด้คือจังบ่าวพูดติแล้วมันสิสงบบ่หวาดบ่ได้เชื่อจอกแต่ว่า เออบ่มาพ่อลุงปู่ชาจังซี่คือกันเพิ่นจิตนี้คือใครมันเป็นไผอารมณ์มันคือบ่บังคับคนทั้ง หลวงพุทธาไปกับพ่อผมเนาะบ่ได้ได้บาทขึ้นซะถูเด้ออย่าให้ <c oughs> เจ้าว่าเพิ่นสูย่านผีเข้าป่าชะย่านเสือเข้าป่าผมก็ย่านย่านเบาซื่อๆย่านผีนี่การเป็น อ๋อหมดแต่ใจนอบนานพี่จะผีถามข่าวแต่ว่าบ่ได้ภาษานี่เขาว่าเซ้นส์พิเศษหรือว่ามีพิเศษผีสิสัมผัสถ้า คนสิลูกว้าเพิ่นล่ะนั่นผีถามบาดนี้ผม ที่สงบบ่ได้ก็จนบวชเป็นพระก็ยังแหบอยู่ก็ย่านอยู่บาดนี่ก็เลยไปเปลี่ยนกับหลวงปู่หลวงปู่ตาไปกดผมแน่ผีหรอกบ่เจ้ารับผมรําคาญนั่งสินอนกูตีปู่ปู่ ala dia pom pai kro khamma phu ka pai la ipi pi cho phakha wa arahang samma sam buddha isa chalana sam pano poka sai yu wat tu suat tae dai ka ni nang pai nang ma man ka oh la man khue khak tae he บาดที่สงบกะโอ้ยเว้ยพุ่นน่ะมื้ออื่นเจ้ามาเป็นจังได๋ล่ะปู่โอ้ยอยากแข็งแน่อยู่ดอกพุ่นสวดหมดได้ก็บ่ไปไว้พุ่นแต่ว่ากัน อ่าอาจารย์ใหญ่เพิ่นเลยว่ามันคุยย่อแล้วกันนี่โอ้ยขน้อยกันน่ะพวกมื้อ เมื่อยนมาแล้วโอ้ยอันมันพวกคุณที่บ้าเพิ่นว่าอีหยังล่ะครับย่านบ่ย่านได้กับแก่มันแม่นกับแก่บ่ก็แม่นนั่นแหละก็เลยคุณเสริมรถไป ไม่คอหัวพุ่นไปบ้านมึงมาตั๋วกูหญ่านมึงตั้งหลายหมื่นแต่อันเว้าตามตัวทั้งเถื่อก็ลูกเทวดาเขาสิมาอยู่แหนเฮาเฮ็ดให้เฮาหญ่านนั่นเออ บ่นี่ไปวัดแปะไปหาอาจารย์จ่งอยู่วัดปะขอเขาบอกกะนอนใต้ตะรางกุฏเบิดน่ะบ่เข้ารูปญาติเวอเฮาญาติเวอเห็นเขานอน หน่าคือเหี้ยวซ่ำๆคืนนี้กระแจะอยู่เดียวตาไซ่เบิ่งเฮาอยู่ในในในในความ 2 ข้างพรึบโลดฮู้เมื่อ คือผีหลอกในฝันเอ้าผีหลอกโอ้ยความคิดเจ้าของตัวเบิดความคิดเจ้าของตัวโอ้ยสมพ่อครูบาอาจารย์ สินอนในภาษาว่านอนภาษานี่สิผิดแปลกแตกต่างหม่องอื่นผู้ใดบ่ หลับนิดๆว่าแม่นหลับบัก 5 ชั่วโมงครูเมื่อเอาเวฟขึ้นมา น. นิดทีรีเบิ่งนาฬิกาหลับไป 15 นาทีอีหยังวะบ่พอข้าวบาดนี้เสียง กั้นใจสู่มันสู่ไปสู่มาได้ยินเสียงนกบินโห่ไปโอ้ยนกข้าวแมวมันมาบินมันมันมันผีดึงมาอีดีเหลาะน้อยเหาะว่าหลวงปู่โสมเพิ่นตู่ผมก็ได้ยิน ไปอยู่ป่าสาข้างกระตังกิโลนึงพุ่นทุกข์ญาติพะโลไว้เพิ่นว่ารูปผีมันยกกก เสียงกิริตก็บ่ฮ้องอืมพอว่าอืมบ่มีหม่องไปมุดเข้ามุ้งบ่สิว่าเอามุ้งไปติเพิงก็คดไปติเพิงมันนั่งผู้โธ่ผู้โธ่ไปก็สิสงบแล้วก็คักๆตึ้มไม่โอ้มดนอนอีกมื้ออื่นมาเป็นจังได๋ ว่าซั่นบ่พ้นทุกจักเทื่อใด๋บ่ตัดสรูได้ว่าซั่นบ่เห็นธรรมได้มองนั่งมองล้มด้วยมื้อนี้โอ้ยเอาปานนั้นๆ กักเกี่ยวกับทางเบิกย่างจงของปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บมืดเข้ามืดเข้าคอยตาเข้าตาเข้าเมื่อยอกเข้าแล้วเฝ้าก็ไป <tr> <tr>